เรามาห า, าอ๋นิวัณ์ห้าความขี้เกียจความงงาเงาเข้านอนความเบื่อเซ็งความฟุ้งซ่านความหลังเลพลุนเนี่ยล้วนจะเป็นตัวบริกษก์เบื้องต้นของคนทั้งคนเก่าคนใหม่ว่ามันเนื่องมาจากอะไรนะเนื่องมาจากอะไรไก็รู้ในเบื้องต้นชัดๆว่าเบื้องต้นเนี่ยคนทุกคนเนี่ยรู้สึกรักสุข เกลียดทุกข์รักสบายไม่ไม่รังเกียจความไม่สบายอันนี้คือเป็นพื้นฐานเราเริ่มพิจรารณาตั้งแต่ต้นๆของแต่ละคนเลยว่ามันมาอย่างเนี้ยพื้นฐานยทุกคนไม่ว่าคนได้สัตว์ทั้งหลายเนี้รักสุเกลียดทุกข์รักความสบายรังเกียจความไม่สบายอ่ดังดนั้ น, นตัวสบายแล้วไม่สบายมันก็ต้องเป็นสาเหตุต้นๆเอาสบายกายไม่สบายกายก่อน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 จต่ถึงช่วงเพลนเนี่ยช่วงเช้าถึงช่วงเพลนช่วงนี้ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ส่วนใหญ่ทำได้ดีแต่พอหลังเพลไปแล้วไปถึงบ่ายสามบ่ายสีง่วงจัดๆเลยทีเนี้ยเพราะอะไรช่วงเช้าง่วงเพราะแก้ได้แต่พอมาช่วงบ่ายง่วงแก้ยากเพราะอะไรอ๋อช่วงเช้าเรากำลังดีอยู่ทานอาหารช่วงเช้าก็ส่วนใหญ่ทานไม่มากทานนิดนิดหน่อยทานของเบาๆแต่ช่วงบ่ายอาหารมันหนัก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 และความเหลอคืออัตต์กิลมัฐานุโยคความเพลินนั้นเกิดจากสุขเวทนามากเกินไปความเพลรอเกิดจากทุกเวทนามากเกินไปนะอัตกากามสุขนิการุโยโคแล้วก็อัตต์กิลมัฐานโยโคให้ <c oughs> ระหวังสองส่วนนี้ให้ละทั้งสองทางนี้ทางสุดโต่ทั้งสองทางนี้คือสบายเกินไป <c oughs>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 ร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่ไม่แต่เพลงแล้วก็อัดเลาวก็เก็บกันไว้ความสบายหูก็ทำให้เราติดอีกอันที่สามอันที่หนึ่งสบายตาอันที่สองสบายหูแล้วก็ไปยืดติดเกินอันที่สามสบายอะไรสบายจมูกอ่าแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่มันมีกลิ่นทั้งหลายนะ่ะให้กลิ่นทั้งธรรมชาติรู้สึกมันไม่ทันใจต้องไปซื้อกินอะไรกินน้าหอมจากไหม จากฝรั่งเศสวมาจากที่ไเอาไว้บนเตียงหัวนอนในรถแม้แต่ในรถก็ต้องมีคนน้หอมใช่ไหมเพื่อให้เกิดความสบายอะไรความสบายเฉมูกอถ้าได้กินเหม็นกินตัวๆอะไรหน่อยไม่ได้เนะีเบือนหน้าหนีเลยว่างั้นแต่แม้แต่อาหารก็ต้องอสบายเฉมูกแล้วก็สบายลิ้นด้วยสบายลิ้นนี่น ย, ยิ่งหนักเลยใช่ไหม อ, อาหารที่จะมานั่งกินแบบอดีบเปเดีเนี่ยมันต้องปรุงให้สุกต้องปรุงให้อร่อยอะจะเอากินข้าวเฉย ได้ไหมเคี้ยวผลไม้เฉยๆเค้ยผักก เ, เ, เคยไม่ได้ต้องปรุงต้องใส่ต้องอะไระให้อร่อยเพื่อสบายลิ้นสบายกายเราก็ได้นอนนานเท่าไหร่ยิ่งดีอ้เนี่ยนอนเฉยๆได้ห่มผ้าห่มผ้ายังไม่พอได้นอนกับเพื่อนอได้ห้องกับเพื่อนได้กอดลูกได้อุ้มลูกเราก็หาความสบายกายใส่ตัว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 มันรู้สึกชอบหรือไม่ชอบไปกำหนดที่นั่นทีนี้พอมานำไปวิเคราะห์แบบนี้แล้วให้คนแต่ละคนไปตมแเราก็ให้บทเรียนไปแต่ละวันสมมติว่าตอนเย็นวันเอาตอนเย็นเช้าวันพรุ่งนี้เราก็จะให้บทเรียนว่าวันนี้ไปศึกษาอะไรกันทุกคนไปทำแล้วตอนเย็นก็มาสอบอันนี้คือหลักสูตรใหม่นะตอนเย็นก็มาสอบเออไม่ชียุพิน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 แต่หายใจลืกเกินไปนานๆถึงจะออกเนี่ยไหวไหมเยอะเกินไปอีกเกินอีกแต่ออกไปนานๆนยังไม่องสูกเข้าไหวไหมขาดอีกเห็นไหมเราส่วนขาส่วนเกินทำให้เราไม่สบายอ๋อเพราะนั้นเราจะปรับส่วนขาดส่วนเกินคือหายใจเข้าออกกิววิหายใจเข้าหายใจออกกิววิหายใจเข้ากิววิ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 สบายหรือไม่สบายสำรวจไหม อ, อีทีในเรื่องกายนะหนึ่งความรู้สึกสบายกายสองความรู้สึกไม่สบายกายสามไม่ได้รู้ว่าเป็นความรู้สึกสบายหรือไม่สบายเป็นอันที่สามเรียกว่าอทุกขมรสุขเวทานาสุขกเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมรสุขเวทนาทุกขมสุขนั่นหมายความ่ารู้ทุกชั้นสบายชั้นก็ไม่โศนไม่สบายชั้นก็ไม่รู้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 เย็นก็มาผสมกับน้ำร้อนลักษณะนี้เขาเรียกว่าอทุกขมสุขจะว่าร้อนก็ไม่ใช่จะว่าเย็นก็ไม่เชิงเขาเรียกว่าน้ําอะไรน้ําอุ่นเ น, นี่ยมันมีสามน้ํานะหนึ่งน้ำร้อนสองน้ําเย็นสามน้ําอุ่นอ่าทีนี้มันมีอีกน้ำหนึ่งน้ําที่ไม่อุ่นไม่เย็นแล้วก็ไม่ร้อน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 ไม่อยากเปลี่ยนอะเพลินนะ น, น, นั้นต้องไปศึกษาเรื่องนีง้ให้ดีนะสําหรับคนที่มาใหม่เนะี่ยแต่สําหรับสําหรับคนคนที่เคยไปดู บ, บ้มาแล้วแต่สําหรับคนใหม่นะเนาะพ่อต้องย้ํำหลายๆครั้งเพราะหนึ่งศรัทธ า, า ย, ยังไม่มั่นคงสองความเพียรนี้ไม่เคยหนักหน่วงเพราะว่าที่เราต้องมีความเพียรมีศรัทธ า, าเพื่ออะไรเพื่อให้นะเพื่อให้เรา ไปเหนือความเกินทั้งสองส่วนไปละความเกินทั้งสองส่วนเพราะชีวิตที่เรายังไม่เคยมาศึกษาเราื่องนี้เราอยู่กับส่วนเกินของสุขทุกข์ทั้งนั้นมันจึงทำให้เราทุกข์ไงคาว่าสุขเป็นทุกข์อันหนึ่งเขาเรียกว่าทุกข์กโดยละเอียดคาว่าทุกข์ก็คือสุขอันหนึ่งแต่มันเป็นสุขที่น้อยลงไปคาว่าสุขคือทุกข์อันหนึ่งคือสุขที่มันความสบายที่มันน้อย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 อย่านเยอ ะ, อะตามมติที่ดิทิตสุดท้ายที่แล้ชีวิตการหลวงพ่อช่วงเช้าให้ข้าวโอ๊ตมิลเอาข้าวโอ๊ตปัตรต้มแจ็กคนละแก้วพ อ, อตอนกลวันทานเดียวผลไม้กับสลัดไม่มีข้าวเลยเบาแล้วก็เนื่องจากเป็นคนเก่าทั้งนั้นนะเราจะทําไงก็ได้นะเพคนเก่านี้พร้อมที่ศึกษา <c oughs> อะผลออกมาดีมากเลยก็มีการพัฒนาน